สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาเสนอรายการธรรมรับอรุณในทุกวันเบื้องเป็นช่วงของกลางประสูตร์ที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปยันชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงาม เป็นประสุลิ์เรื่องราวที่มาในประตรายพิดกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสมาธิได้อ่านโดยพระมหาไปบูรณ์อาพิปุโห น, โนในวันนี้ก็นำเสนอมหาสักกุลธาญิสูตรในตอนที่สองทัมโมฝัง เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าอธิบายกับสักกุลุทายีปริภาชกถึงเรื่องความเคารพการนับถือเราจะปรงศรัทธาลงไปในผู้ใดอย่างไรยังไงอะไรคือกระบวนการที่สำคัญที่ไม่ให้ศรัทธานั้นเป็นความงมงายไม่เป็นความงอนเงนคลอนแคลน ประกอบด้วยปัญญามีความมั่นคงอย่างลงรากลึกเหมือนเสาที่เขาฝังไว้อย่างดีด้วยเงื่อนไขด้วยปัจจัยตามในพระสูตรนี่เลยทุกบวชในสัปดาห์ที่แล้วเราได้ฟังเรื่องของสิ่งที่ไม่ใช่ก่อนสิ่งที่ไม่ใช่จะให้เกิดความเลื่อมใสเช่นว่าท่านทรงจีบอลเศร้าหมองฉันอาหารน้อยอยู่เซ น, นาสนะอันสงัด เรื่องราวเหล่านั้นภิกษุที่ทำได้ละเอียดดีกว่าพระพุทธเจ้าบางครั้งก็มีอยู่ด้วยซ้ำถ้าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็จะไม่รับความยกย่องความเคารพนับถือนะสิแต่ที่ท่านได้รับความเคารพยกย่องนับถือทำตามได้นั้นเพราะว่าเรื่องของศีลสมาธิและปัญญาไม่ใช่แค่ศีลในความที่ว่าเออ ผู้ทำนั้นทำได้คนเดียวแต่ผู้ทำทำได้สอนผู้ให้คนอื่นทำตามคนอื่นเขาก็ทำตามได้ด้วยนี่นี่เป็นลักษณะของอนุสาสนีปาฏิหาริ์ที่พระปรุชชาอาธิบายให้สกักกลุ่นทายีโดยไม่ได้ใช้กรรมปฎิหาริ์เลยนะแต่อธิบายให้ฟังว่าเออศีลเป็นอย่างนี้สมาธิเป็นอย่างนี้คนทำแล้วเขาได้เ็าอย่างนี้เขาจึงนับถืออย่างนี้เป็นปาฏิหาริ์ที่เกิดขึ้นกับผู้นั้นเอง ที่เขาทำเองที่มีความเคารพนับถือยกย่องเกิดขึ้นในพระสูตรนี้เป็นตอนจบขอมหาสกุลุชายีสูตรซึ่งก็เป็นเรื่องตอนต้นเริ่มแรกที่ทำไมสกุลุชายีนั้นถึงมามีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยปริภาชกชื่อสกุลุชายีสูตรใหญ่ มหาสักกลุทธายีสูตรตอนที่สองตอนธรรมะเป็นเหตุให้ทำความเคารพประการอื่นๆอุทธายีมีธรรมะห้าประการอื่นอีกซึ่งเป็นเหตุให้สาวกตั้งหลายของเราสกรักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสกักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ ธรรมะหประการอะไรบ้างคือนหนึ่งสาวกทั้งหลายของเราย่อมสรรเสริญเราในอธิศีนว่าพระสมณโคดมเป็นผู้มีศีลประกอบด้วยศีลลขันอย่างยิ่งการที่สาวกทั้งหลายของเราสรรเสริญเราในอธิศีนว่าสมณโคดมเป็นผู้มีศีลประกอบด้วยศีลลขัน์อย่างยิ่งนี้แหล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 ก็ตรัสว่าเรารู้เมื่อทรงเห็นเองก็ตรัสว่าเราเห็นทรงแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่งไม่ใช่เพื่อไม่รู้ยิ่งทรงแสดงธรรมมีเหตุผลบร้อมไม่ใช่ไม่มีเหตุผลพร้อมทรงแสดงธรรมมีปาฏิหารคือน่าทึ่งม่ใช่ทรงแสดงธรรมไม่มีปาฏิหาร การที่สาวกทุนหลายของเราสันเสริญเราในญาณทัศนะอันยอดเยี่ยมนั้นนี่แหละเป็นธรรมะประการที่สองซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทุนหลายของเราสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ด้วยข้อที่สสาวกทุนหลายของเรา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 มีเหตุผลดีก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรมีบ้างไหมที่สาวกทั้งหลายของเราเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จะพึงพูดสอดขึ้นมาข้อนั้นไม่มีเลยพระเจ้าค่ะอุดายีเราไม่หวังการพร่ำสอนจากสาวกทั้งหลายที่แท้สาวกทั้งหลายย่อมหวังการพร่ำสอนจากเราเท่านั้น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 มีเหตุผลดีได้นี่แหละเป็นธรรมปร ะ, าะราการที่สามซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายของเราสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ด้วยกดีสีสาวกทั้งหลายของเราผู้ถูกทุกข์ท่วมทับแล้วถูกทุกข์กราบงำแล้วเพราะทุกใด เธอเหล่านั้นจึงเข้ามาหาเราแล้วถามถึงทุกขอริยสัตว์นั้นเราถูกเธอเหล่านั้นถามถึงทุกขาริยสัตว์ก็ตอบได้เราทำให้เธอเหล่านั้นมีจิตยินดีเช่มชื่นด้วยการตอบปัญหาเธอเหล่านั้นเข้ามาหาเราแล้วถามถึ ง, ถถงทุกขสมุทัยอริยสัตว์ถามถึงทุกขนิโรธาอริยสัตว์ ถามถึงทุกขนิโรธคามินีปฏิปตาอริยสัจเราถูกเธอเหล่านั้นถามถึงสัจจะเหล่านั้นแล้วก็ตอบได้เราทำให้เธอทั้งหลายเหล่านั้นมีจิตยินดีแช่มชื่นด้วยการตอบปัญหาการที่สาวกทั้งหลายของเราผู้ถูกทุกข์ท่วมทับแล้วถูกทุกข์กราบงาแล้วเราทุกใด เธอเหล่านั้นจึงเข้ามาหาเราถามคำถามแล้วเราก็ตอบได้ทำให้เธอเหล่านั้นมีจิตยินดีเช่มชื่นด้วยการตอบปัญหานี้แลเป็นธรรมะประการที่สี่ซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายของเราสการะเคารพนับถือบูชาเราและเข้าอาศัยเราอยู่ด้วยกอดีห้า เราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามย่อมเจริญสติปัฏฐาน4ประการคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียร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 เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิขึ้นแล้วเพราะเจริญสมัมมติทานสี่ประการเหล่านี้แลสาวกของเราเป็นนันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตาม เจริญอิธิบาตรีประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญอิธิบาต ท, ที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารคือสมาธิที่เกิดจากฉันทะและความเพียรสร้างสรรค์ข้อที่สองเจริญอิทธิบาต ท, ที่ประกอบด้วยวิริยะมีสมาธิเป็นประธานสังขารคือสมาธิที่เกิดจากวิริยะ <L RI K> และความเปลี่ยนสร้างสรรค์กรณีสามเจริญอิธิบาท4ที่ประกอบด้วยจิตตะสมาธิประธานสังขารคือสมาธิที่เกิดจากจิตตะและความเปลี่ยนสร้างสรรค์กรณีสีเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารคือสมาธิที่เกิดจากวิมังสา และความเพี่ยนสร้างสรรค์เพราะเจริญอิธิบาทสีประการนั่นแหลสาวกของเราเป็นนันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบรมีอยู่อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามเจริญอินรี่หประการ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 จเจริญอินสี่ห้าประการเหล่านั้นแหละสาวกของเราเป็นหนักมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามจเจริญพละคือทำอันเป็นกำลังห้าประการ คือภิกษุในธรรมะไว้ไหนนี้เจริญสัทธาภละที่ให้ถึงความสงบให้ถึงความปรสรูเจริญวิริยะภละเจริญสติภละเจริญสมาธิภละเจริญปัญญาภละที่จะให้ถึงความสงบให้ถึงความปราสรูเพราะเจริญพละห้าประการนั่นแลสาวกของเราเป็นนันมาก จึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามเจริญโพชฌงคือองค์ธรรมแห่งการประัสรู้เจประการคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้เจริญสติสัมโพชฌง อันอาศัยวิเวอาศัยวิรากะอาศัยนิโรดน้อมไปเพื่อความสละคือโวสขะเจริญธรรมะวิจิยสัมโพชงเจริญวิริยะสัมโพชงเจริญปีติสัมโพชงเจริญปัสสทิสัมโพชงเจริญสมาธิสัมโพชฌงเจริญอุเบกขาสัมโพชงอันแต่ละอย่าง อาศัยความวิเวกอาศัยวิรากะอาศัยนิโรธและน้อมไปเพื่อความสลักคือวสัสคะเพราะเจริญพ่อจงเจตประการนี้แลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบรมีอยู่อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลาย ชาวโลกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามจเจริญอริยมรรคมีองค์แปดคือภิกษุในธรรมะวันนี้จเจริญสัมสมาทิฏฐิจเจริญสัมสมาสังกัปป ะ, จะเจริญสัมสมาวาจาจเจริญสัมสมากรรมต ะ, จะเจริญสัมสม า, าชีว ะ, จะเจริญสัมสมาบายามัจเจริญสัมมาสติเจริญสมามสมาธิ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 สาวกผู้มีรูปเห็นรูปทั้งหลายนี้เป็นบิโมะประการที่หนึ่งสาวกผู้มีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกนี้เป็นบิโมะประการที่สองสาวกน้อมใจไปว่างามนี้เป็นบิโมะประการที่สามสาวกบรลุอาการสานันจายตนะ โดยกําหนดว่าอากาศหาที่สุดมีดาอยู่เพราะล่วงรูปสัญญาเพราะความดับไปแห่งปฏิกัสสัญญาเพราะการไม่กําหนดนานัตตาสัญญาโดยประการทั้งปวงนี้เป็นบิโมกประการที่สี่สาวกล่วงอากาศสานันจา ย, ยตนะโดยประการทั้งปวงบรลุวิญญาณนันจา ย, ยตนะอยู่ โดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้นี้เป็นบีโม่ประการที่ห้าสาวกล่วงวิญญาณจาัญญาตนะโดยประการทั้งปวงบรลุอากินจัญญายตนะโดยกำหนดว่าไม่มีอารายอยู่นี้เป็นบีโม่ประการที่หสาวกล่วงอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงบรลุ เนวสัญญาณาสัญญาญตนะอยู่นี่เป็นบิโมะประการที่เจ็ดเพสาวกลวงเนวสัญญาณาสัญญาญตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทายตานิโรอยู่นี่เป็นบิโมะประการที่แปดเพราะเจริญบิโมะแปดประการ น, นี้แลสาวกของเราเป็นหนันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและ อภิญญาบารมีอยู่อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามเจริญอภิพายตรนะณะแปดประการคือหนึ่งสาวกผู้หนึ่งมีรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกขนาดเล็กมีสีสันดีหรือไม่ดี กรอบงามรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะประการที่หนึ่งสาวกู้หนึ่งมีรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกขนาดใหญ่มีสีสันดีหรือไม่ดีกรอบงามรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น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 สีเขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มดอกผักตบที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มหรือผ้าเมืองพานาสีอันมีเนื้อละเอียดทั้งสองด้านที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มแม้ฉันใด สาวกผู้หนึ่งมีอรูปสัญญาภายในก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นรูปทต้นลายภายนอกที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มกรอบงารูปต้นลมยเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภีปายตนะประกันทดี่5ก็สาวกผู้หนึ่ง มีอะรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่เหลืองมีสีเหลืองเปรียบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มกอดอกกันนิกาที่เหลืองมีสีเหลืองเปรียบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มหรือผ้าเมืองพาลนสีอันมีเนื้อละเอียดทั้งสองด้านที่เหลืองมีสีเหลือง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 เห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่เหลืองมีสีเหลืองเปรียบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มกรอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพ า, ายตนะประการที่หกกสาวกผู้หนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่แดง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 นี้เป็นอภิพายตนะประการที่8เพราะเจริญอภิพายตนะ8ประการนี่แลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญยาและอภิญยาบารมีอยู่อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตาม เริญกสินญาญาตนัตคือบอ่อเกิดแห่งธรรมมีเกสินเป็นอารมณ์สิบประการคือสาวกผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดกสินดินเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่มีสองไม่มีประมาณสาวกผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดซึ่งกสินน้ำกสินไฟกสินลมกสินสีเขียว กสินสีเหลืองกสินสีแดงกสินสีขาวกสินที่ว่างเปล่าและกสินปิญญาเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่มีสองไม่มีประมาณพระเจริญกสินาัยตนะสิบประการนั้นแหลสาวกของเราเป็นนันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและ อ้พิญญาบารมีอยู่ตอนฌานสอีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามเจริญฌานสี่ประการคือภิกษุในธรรมะวันไหนนี้ข้อที่หนึ่งสงัดแล้วจากกรรมสงัดแล้วจากอากุศลรรต่มทั้งหลาย บลุปทมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความมีเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนยิยมดเธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นยิ่มเอิบด้วยปีติและสุขอันเกิดจากความมีเวก ร, รู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปีติและสุขอันเกิดจากความมีเวกจะไม่ถูกต้อง เหมือนพนักงานสงสนานหรือลูกมือพนักงานสงสนานผู้ชำนาญเทผงถูตัวลงในภาชนะสมัมฤทิ์แล้วเอาน้ำปราปพรมให้ติดเป็นก้อนพอตกเย็นก้อนถูกตัวที่ยางซึมไปจับก็ติดกันหมดไม่กระจายออกแม้ฉันใดภิกษุก็ฉ น, นั้นเหมือนกัน ทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเ อ, อบิบิมด้วยปีติและสุขอันเกิดจากความวิเบก ร, รู้สึกทราบช้านอยู่ไม่มีส่วนในของร่างกายที่ปีติและสุขอันเกิดจากความวิเบกจะไม่ตกตองกรณีสองเพราะมิตกมิจานสงบประงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเริ่มอิ่มด้วยปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิรู้สึกทราบซรานอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิจะไม่ถูกต้อง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 ไม่มีส่วนไหนของห่วงน้านั้นที่น้ําเย็นจะไม่ถูกต้องแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันทำกายนี้ให้ชุ่มชื้นิบอิ่มด้วยปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิรู้สึกซาบส่ารอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิจะไม่ถูกต้อง กทิชามเพราะปีติจาง ก, กลายไปพิกษุเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่ประเรียะทั้งหลายสัรเสริญว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขพระละสุขและทุกขได้เธอททำกายนี้ ให้ชุ่มชื่นอิ่มเอิบด้วยสุขอันไม่มีปีติรู้สึกทราบทราบอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่สุขอันไม่มีปีติจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนในกอบัวเขียวกบัวหลวงกบัวขาวดอกบัวเขียวดอกบัวหลวงหรือดอกบัวขาวบางเหล่าที่เกิด จเจริญเติบโตในน้ำยังไม่พ้นน้ำจมอยู่ใต้น้ำมีน้ำหล่อเลี้ยงไว้ดอกบัวเหล่านั้นชุ่มชื่นเอบอาาบซาบซึมด้วยน้ำเย็นตั้งแต่ยอดถึงเงาไม่มีส่วนใหนของดอกบัวเขียวดอกบัวหลวงหรือดอกบัวขาวทั่วทุกดอกที่น้ำเย็นจะไม่ถูกต้องแม้ฉันใด ภิกุก็ฉะนั้นเหมือนกันทํากายนี้ให้ชุ่มชื่นเ อ, อบอิ่มด้วยสุขอันไม่มีปีติรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนใหนของร่างกายที่สุขอันไม่มีปีติจะไม่ถูกต้องข้อที่สีเพราะละสุขและทุกเสียได้เพราะความที่โสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนจึงบรรลุ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 ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ผ้าขาวจะไม่ปกคลุมแม้ฉันใดภิกษุก็เช่นเหมือนกันมีใจอันบริสุทธิ์ขุดพองนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ใจอันบริสุทธิ์ขุดพองจะไม่ถูกต้องเพราะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วจเจริญฌานสี่ประการนั่นแหละ สาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่ตอนวิชา8ประการวิปัสนาญาณอีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อมปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายของเรานี้ คุมกันเป็นรูปร่างประกอบขึ้นจากมหาผูตะรูปสีเกิดจากมารดาบิดาเจริญไวัยเพราะข้าวสุกและขนมสดไม่เที่ยงแท้ต้องอบต้องหนวดเฟ้นมีอันแตกก ร, ระจายไปเป็นธรรมดาวิญญาณของเราอาศัยและเนื่องอยู่ในกายนี้เปรียบเหมือนแก้วไผทูล อันงดงามตามธรรมชาติมีแปดเหลี่ยมที่เจริญในดีแล้วสุขใสเป็นประกายได้สัด ส, ส่วนมีได้สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวหรือสีนวลร้อยอยู่ข้างในคนตาถึงหยิบแก้วไพ่ทุนนั้นวางไว้ในมือแล้วพิจารณาก็รู้ว่า แก้วไผ่ทูนอันงดงามตามธรรมชาติมีแปดเหลี่ยมที่เจัดนดีแล้วสุกใสเป็นประกายได้สัด ส, ส่วนมีได้สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวหรือสีนวลร้อยอยู่ข้างในข้อนี้แม่ฉันใดเราก็ชนนั้นเหมือนกันได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเรา ผู้ปฏิบัติตามย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายของเรานี้คุมกันเป็นรูปร่างประกอบขึ้นจากมหาผู้ตะรูปสีเกิดจากมารดาบิดาเจริญไว้เพราะข้าวสุกและขนมกุ้มามากไม่เที่ยงแท้ต้องอบต้องนวดเฟ้นมีอันแต่กระจัดกระจายไปเป็นธรรมดา วิญญาณของเราอาศัยและเนื่องอยู่ในกายนี้เพราะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วรู้ชัดอย่างนี้นั่นแล้วสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่ข้อที่สองมโนมยิทธิยานอีกประการหนึ่ง เราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามเนรมิตกายอื่นนอกจากกายนี้มีรูปที่เกิดแต่ใจมีอวัอยวะครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องเปรียบเหมือนคนชักไส้ออกจากหญ้าปล้องเขาเห็นอย่างนี้ว่านี้คือญ้าปล้อง นี้คือไส้ญาปล้องเป็นอย่างหนึ่งไส้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ไส้ถูกชักออกมาจากยาปล้องนั่นเองหรือเปรียบเหมือนคนชักดาบออกจากฝักเขาเห็นอย่างนี้ว่านี้คือดาบนี้คือฝักดาบเป็นอย่างหนึ่งฝักก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ดาบถูกชักออกมาจากฝักนั่นเอง หรือคนดึงงูออกจากกราบเขาจะเห็นอย่างนี้ว่านี่คืองูนี่คือคราบงูเป็นอย่างหนึ่งคราบก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่งูถูกดึงออกจากคราบนั่นเองแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันได้บอกข้อปฏิบัติแกสาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ เราบอกแล้วย่อมเนร밋กายอื่นจากกายนี้ได้มีรูปที่เกิดแต่ใจมีอวัยวะครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องเพราะปฏิบัติตามก็ปฏิบัติที่เราบอกแล้วเนร밋กายนั้นแลสาวกทั้งหลายของเราเป็นบญนมากจึงบรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบรมีอยู่ขอ้อที่สาม อิทธิวิทยานอีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏหรือให้หายไปก็ได้ธารุฟา้ากำแพงและภูเขาไปได้ไม่ติดขัด เหมือนไปในที่ว่างก็ได้พุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งกัดสมาธิเหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ใช้ฝ่ามือรูปกลมดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มันมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็ได้ ใช้อำนาจต่างกายไปจนถึงปรมโล ก, กได้เปรียบเหมือนช่างหม้อหรือลูกมือช่างหม้อผู้ชํานาญเมื่อนวดดินเหนียวดีแล้วก็พึงทําภาชนะที่ต้องการให้สําเร็จได้หรือเปรียบเหมือนช่างงานหรือลูกมือของช่างงานผู้ชํานาญเมื่อแต่งงานดีแล้ว พึงทำเัรื่องงาชนิดที่ต้องการให้สำเร็จได้หรือช่างทองหรือลูกมือของช่างทองผู้ชำนาญเหืือหลอมทองดีแล้วพึงทำทองรูปประพันฑ์ชนิดที่ต้องการให้สำเร็จได้แม้ฉันใดเราก็ฉะ น, นั้นเหมือนกันได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเรา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 เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งกัดสมาธิเหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ใช้ฝ่ามือรูปกลมดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มันมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็ได้ใช้อำนาจต่างกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้เพราะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ เราบอกแล้วแสดงฤทธนั้นแลสาวกของเราเป็นนันมากจึงบรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่ข้อที่สทิพยโสตธ า, าตุอีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้บบิตัตปตาม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 หรือไม่มีไฟฟ้าก็รู้ว่าไม่มีไฟฟ้าแม้ฉันใดเราก็ฉันนเหมือนกันได้บอกข้อปฏิบัติแกสาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วย่อมกาหนดรู้จิตของสัตว์และคนอื่นด้วยจิตของตนได้คือจิตมีราคะไม่มีราคะมีโทสะ หรือไม่มีโทสะมีโมหะหรือไม่มีโมหะมีจิตหดหูหรือจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหากะตะหรือไม่เป็นมหากตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นหรือจิตยังไม่หลุดพ้นก็รู้ เรปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วจึงรู้จิตผู้นั่นแหละสาวกของเราเปน็นันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่ข้อที่ 6. บุพเพนิวาสานุสติญาณอีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลาย สาวกทั้งลายของเราผู้ปฏิบัติตามระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างสามชาติสี่ชาติหชาติบ้างสิบยี่สิบสามสิสี่สห้าสิบชาติบ้างร้อยพันแสนชาติบ้างตลอดสังวัตตกัตลอดวิวัตตกับตลอดสังวิวัตตกับและวิวัตกิกัเป็นอันมากบ้างว่า ในภพนอนเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันละมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นไปเกิดในภพนอนแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้น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 เราไปจากบ้านของตนไปบ้านอื dan, ่นในบ้านนั้นเราได้ยืน <ten> นั่งพูดนิ่งเฉยอย่างนั้นอย่างนั้นเราได้จากแม้บ้านนั้นไปยังบ้านนอนแม้ในบ้านนอนนั้นเราก็ได้ยืนนั่งพูดนิ่งเฉยอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วกลับมาจากบ้านนั้นมายังบ้านเดิมของตนก่อนนี้แมชันใด เราก็ฉันนั้นเหมือนกันได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วย่อมระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างเป็นต้นเธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เพราะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ ที่เราบอกแล้วระลึกชาติได้นั่นแหละสาวกของเราเป็นนั้นมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่ขที่จตทิพยะจักสุยนันอีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามเห็นหมูสัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิด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 พวกเราหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกแต่หมูสัตว์ที่ประกาบกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทํากรรมตามความเห็นชอบพวกเราหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์เธอเห็นหมูสัตว์ ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งต่ำและทั้งสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาที่อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แหลเปรียบเหมือนเรือนสองหลังที่ใช้ประตูร่วมกันคนตาดียืนอยู่ระหว่างเรือนสองหลังนั้น เห็นหมูชนกําลังเข้าไปสู่เรือนบ้างออกจากเรือนบ้างเดินรอบๆ บ, บ้างแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วย่อมเห็นหมูสัตว์ผู้กาลังจุติคือเคลื่อนคือตายกาลังเกิด ทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์หมดจดเหนือมนุษย์รู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมเราปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วเห็นสัตว์กำลังจุติกำลังเกิดนั่นแลสาวกทั้งหลายของเราเปน็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญา และอภิญญาบรมีอยู่ข้อที่8อาสวัคยายานอีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเอง เขาถึงอยู่ในปัจจุบันสระน้ำใสสะอาดไม่ขุ่นมัวบนยอดภูเขาคนมีตาดียืนที่ขอบสระนั้นเห็นหอยโข่งและหอยกาบก้อนกรวดและก้อนหินหรือฟูงปลากำลังแหวกว่ายอยู่บ้างหยุดอยู่บ้างในสระนั้นก็คิดว่าสระน้ำนี้ใสสะอาดไม่ขุ่นมัว หอยโข่งและหอยกาบก้อนกรวดและก้อนหินหรือฝูงปลาเหล่านี้กำลังแวกว่าอยู่ก็มีหยุดอยู่ก็มีในสระน้ํานั้นข้อนี้ฉันใดเราก็ฉั น, นั้นเหมือนกันได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วย่อมทําให้แจ้งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวัสดพระอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเพราะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วรู้แจ้งวิมุต t นั่นแลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบรมีอยู่นี่แหละเป็นธรรมะประการที่ห้า ซึ่งเป็นเหตุให้สาวบกต้นหลายของเราสการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ด้วยอุทายีธรรมะห้าบระการ น, นี้แหลเป็นเหตุให้สาวบกต้นหลายของเราสการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยอยู่ด้วย เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพาสิทธิ์นี้แล้วสักกุลุทายีปริภาโชกมีใจชื่นชมพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหลและที่ท่านได้ฟังจบไปนั้นคือมหาสักกุลุทายีสูตรตอนจบซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ให้ปริภาโชกรูปนี้ ม, มีความสนใจในพระพุทธเจ้าและคำสอนของพระองค์ท่า น, นโดยพระมาหาไยบูลอาพิปุณโ น, โนช่วงของคลังพระสูต์นั้นตมบุฟังสามารถติดตามรับฟังได้ในทุกคนบรหิหัณตั้งแต่เวลาตี5ถึงหโมงเชา้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่าง ล้วพบกันใหม่ในวันปรุ่งนี้สุริย์ิ น, นาน